คำแถมท้ายย้อนกลับไปพูดถึงข้ารือหัดเห็นควรสรุปเรื่องนี้ด้วยการกล่าวถึงข้อปฏิบัติบางอย่างที่ควรเน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับโภคกรัพย์ดังนี้ในแง่บุคคลควรดำเนินตามพุทธปฏิปทาที่นิยมยกย่องคนมั่งมีรัพ์เฉพาะแต่ผู้ที่ร่ำรวยขึ้นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยทางสุจริตชอบธรรม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 จุดที่พระพุทธเจ้าทรงสรนเสริญสาหรับบุคคลเช่นนั้นคือการดีงามที่เป็นเหตุให้เขามาได้รับผลอันน่าปรารถนานี้ตั้งหากส่วนการที่เขาเกิดมาในความมั่งมีพรั่งพร้อมอยู่แล้วนั้นก็เป็นอันว่าเขาได้รับผลดีของเขาอยู่แล้วไม่จำต้องยกเอามาสันเสริญอีกตามหลักพุทธศาสนาถือว่านั่นเป็นทุนเดิมหรือพื้นฐานดีซึ่งทาให้เขามีโอกาสดีหรือพร้อมดีกว่าผู้อื่น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 พระพุทธเจ้าทรงตีเตียนหรือสันเสริญที่การกระทำของคนมั่งมีต่างหากในแง่สังคมตามหลักพระพุทธศาสนารั์เป็นอุปกรณ์หรือเป็นปัจจัยอุดหนุนชีวิตไม่ใช่จุดหมายของชีวิตรัพ์จึงควรเป็นเครื่องช่วยให้มนุษย์มีความสะดวกมากขึ้นและพร้อมมากขึ้นในการที่จะดาเนินชีวิตที่ดีงาม